ก็ลักษณะของวิปัสสนาเนี่ยไม่กังวลจริงๆนะถ้าถ้าถ้าใครที่จเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะรู้ว่าตันหาจะละละที่ไหนละในสิ่งที่น่ารักที่น่าพอใจในโลกนั้นนะก็คือแดนโครจรแห่งตันหาก็คือโครจรไปในสิ่งที่ที่น่ารักน่าปรารถนาทั้งหลายมันคิดดูว่าถามว่ามันกังวลขนาดไหนในสิ่งนั้นใช ก็กังวลในสิ่งนั้นแต่ถ้าเห็นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็รู้ว่าธรรมชาติเขาเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละเพื่อละความสำคัญว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้นตัวปัญญาที่ไปเห็นเจริญอย่างมากจนถึงขนาดอริยมรรคเกิดเนี่ยถามว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยหมดกังวลใช่ไหม ก็ก็รู้ว่าทังว่าง่ายๆนะว่ายินดีในอะไรถ้ายินดีในความกังวลนะอันนี้ปฏิปทาของผู้เฝ้าวัตตะนะแต่ถ้ายินดีในความไม่กังวลเนี่ยนะอันนั่นแหละปฏิปทาของพระอริยะนะนะก็ดูว่าเรานี่มันเป็นพักๆกันเนาะเราก็ว่าเป็นขณะๆไปแยกตอนไหนเจริญวิปัสสนาก็ไม่กังวล น, นะตอนไหนเลิกเจริญก็เอาอีกแล้วนะนะโรคเก่ากําเริบอีกแล้ว ทำไมจึงเกิดโทสะให้รู้ว่าวัตถุใดที่เรามีโทสะเนี่ยนะวัตถุนั้ น, น่ะเป็นผลมาจากเราต้องการน่ ะ, ะสิ่งที่เราเสียใจทั้งหมดเลยนะอันนั้นเนเกิดจากความต้องการพระองค์ตรัสว่าความโศกเนี่ยนะเกิดจากความรักภัยเกิดจากความรัก สำหรับบุคคลผู้ไม่มีความรักนะยนะภัยจะมีมาแต่ไหนความโศกจะมีมาแต่ไหนก็คิดดูนะอย่างสมมติว่าเออตอนเนี้ยเขาเอาศพคนแอฟริกาไปฝังมันต้องเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าเราโทสะไหมเราเครียดไหมงดหงิดไหมเฉยๆนะไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นไม่ได้อ่ะถ้าเป็นคนที่เรารู้จักนะรู้จักมกคุณสนิทกันนี่กังวล น, นะนะค่อนข้างกังวลเลยนะ ปริพโธเนี่ยเป็นชื่อของตันหาแต่ว่าไอ้ความกังวลอันนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งโทส ะ, ะคือเป็นอุปนิสัยแห่งโทสะเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งโทสะแต่ให้รู้ว่าโทสะเนี่ยนะมันเป็นผลของตันหาเสียแล้ว อ, อ่ะพูดง่ายๆในหนึ่ง น, ะ, นะว่าบุคคลคนหนึ่งท้องเสียตลอดเวลาเนี่ยนะ ถามไอ้ท้องเสียอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็อาหารที่มันอร่อยอร่อยที่ตั้งใจรับประทานเข้าไปนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งการท้องเสียฉันใดก็ดีความเสียใจทั้งหลายที่เรามีอยู่มันเกิดจากความรักมันเกิดจากเราเข้าไปพอใจสิ่งนั้นก่อนหรือพอใจในสิ่งอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอยู่แล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นแหละโทสะจึงเกิดสมมตนะาน ประจบกับสิ่งอันเป็นที่รักถามว่าจะทุกไหมไม่ทุกถ้าพลาดพลาดจากสิ่งที่เราเกลียดที่สุดเลยนะเราจะทุกไหมโอมีความสุขมากนะสังเกตง่ายไหมวันไหนขับถ่ายออกมีความสุขมากไหมตอนไหนอยู่นั่นแหละเพอร์อิดเพอร์อมไม่ขับถ่ายสักทีหนึ่งถามมาเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนล่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทุกเนี่ยนะทุกเพราะพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักทุกเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยนะ ก็เนื่องจากมีความรักนั่นแหละจึงมีความทุกข์มันวัตถุใดที่เราเสียใจเนี่ยนะวัตถุนั้นเกิดจากความความพอใจมาก่อน น, นนะหรือในสิ่งนั้นนั้นเราเข้าไปคาดหวังไว้แล้วนนะเมื่อคาดหวังไว้แล้วไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังก็เกิดความทุกข์เนี่ย น, นะก็หลายๆคนเนี่ยนะเพราะหวังมากก็เลย กังวลมากทุกมากมันเป็นเหมือนกับเป็นแผลชนิดใบเกิดขึ้นมาเลยนะอะไรอ๋อปริพอดไม่ใช่โทสะแต่จะลืมว่าตัณหามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมตัณหานี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ในอนาคตในปฏิสนธิอย่างเดียวมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แม้กระทั่งในชีวิตปัจจุบันด้วย ถามว่าพระอนาคามีกับพระอรหันเนี่ยผู้สิ้นกามตันหาแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านั้นท่านทุกไหมพระอนาคามีกับพระอรหันท่านเป็นทุกไหมท่านเสียใจไหมไม่เสียใจแต่บุคคลผู้ยังมีกามตันหาอยู่เสียใจใบ่อยไหมเราเป็นผู้มีปกติเครียดเลยแหละอั น, นะี ปริโพธแต่ว่าท่านไม่เสียใจถ้านาคามียังปริโพธอยู่ปริโภธในรูปรรประชานอารูปประชานปริโภธในรูปรรประพบอรูปประพบนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านยังกังวลอยู่นี่มันก็ดีนะชานเนี่ยสงบปอนนี้ตีเนี่ยเป็นต้นเนี่นะก็ยังยินดีในในพบอยู่แต่ว่ายังยินดีในในทำชั้นสูงแล้วนะแต่ส่วนโทสะเป็นต้นเนี่ยท่านตัดขาดได้แล้ว เพราะพระนาคามีเนี่ยทํากําหนดรู้ในทุกขเวทนาเสร็จแล้วกําหนดรู้ในทุกขเวทนาเพื่อละกามราคานุใสเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้กําหนดรู้ทุกขเวทนาเพื่อละอวิชานุใสกําหนดรู้เฉพาะเพื่อที่จะละกามราคานุใสโอ้อยงั้นเรื่องยาวมากนะเอาเอาแค่ อ, อดัอดอพอพอได้แต่ก่อนนะันนะ เราจะเรียนเรื่องเดียวจะคลุมสามปีดกเลยก็โหถ้าเรียนได้ขนาดนั้นต้องใช้ศัพทวิชาการมากกันนี้นะใช้ศัพทวิชาการเนี่ยคุยกันไม่กี่คำแล้วรู้กันเลยนะลักษณะนั้ น, นพอได้ตอนน่ปริพ้มค่อย่านามันปริพ้วยังไงนะแต่มี่จริงแลานาคามีปรีมีปริพ้ทเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ทุ ความปริพภทศเนี่ยนะไอ้กังวลเนี่ยนะความกังวลเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเนี่ยนะเพราะเพราะมันเอ่อเพราะอย่างรังอย่างเราสมมตินะง่ายๆอย่างผู้การรอคุณนายไม่มาแล้วเคยเครียดไหมนะไม่มาขึ้นรถสักทีนึงอย่างเงี้ยมีความสุขตลอดการไมไม่ใช่ใช่ไมเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีงันเนะพราะเราหวังว่าต้องมาใช่พอไม่เห็นมาก็เลย ก็เลยเครียดก็เลยภาษาไทยเราก็บางทีก็ไม่ค่อยแยกคําอ่ะนะไม่ค่อยแยกนั่นนะนั่นในคำว่ากังวลจริงๆอ่ะนะความไม่สบายใจเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผลจากความต้องการแล้วถ้าถ้าเราสังเกตนิดหนึ่งนะถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนิดหนึ่งเนะี่ยสังเกตตัวเองเนี่ยเราเสียใจกับสิ่งใดเนี่ยนะเราเสียใจกับเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นผลของความหวังของเรานะีเราหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ เราหวังว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะไอ้ความหวังอันนั้นแล้วถามว่าสิ่งที่หวังมันสมหวังหมดไหมมันก็ไม่สมหวังพอไม่สมหวังปั๊บก็เอาอีกแล้วพราะนะถ้าหวังให้เขาชมเราเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดเขาทํำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามานะเขามีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเขาเข า, าร่างหนังสือเขียนหนังสือเป็นอย่างดีอ่นนี่ไม่ใช่ผู้การนะคนฝรั่งคนฝรั่งไม่ใช่คนไทยก็แล้วกัน เขาร่างหนังสือเขาตั้งใจมากว่าเขาทำดีที่สุดประณีตที่สุดมันเป็นผลงานของเขาเลยนะชีวิตจิตใจของเขาเลยแหละเขาก็บอกว่าช่วยกรุณาติหน่อยว่ามันเสียหายตรงไหนมันไม่ดียังไงเสร็จแล้วก็ไอคนนักอ่านก็วิจารณ์แหลกเลยคันนี้มันเสียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันไม่ดียังงั้นบอกคุณถือดียังไงเอางัน โวยวายใหญ่เลยนะเจ้าของหนังสือโวยวา ย, ยทื่อดียังไงเนี่ยมากแสดงว่านั่นเขาไม่ได้ประสงค์ให้ให้ติจริงใช่ไหมก็บอกว่าช่วยชมหนังสือเขาหน่อยนะจริงๆเขาอยากจะพูดอย่างนั้นแหละพอพอพอคนอื่นเขาตีมาแทนที่นี้เครียดเล ย, ยนะเพราะอะไรเพราะเราหวังว่าเขาน่าจะน่าจะชมบ้าง <c oughs> นั่นแหละก็เลยโทรสะเกิดเลยนะเพราะหลายๆส่วนนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหะนะ มันความความเสียใจความวิตกกังวลความเครียดใดๆเนี่ยมันก็เกิดจากความหวังทุกชนิดเลยนะลองสังเกต ด, ดูเถอะเราไม่สบายใจกับเรื่อง ก, กับเรื่องของใครคนใดที่ใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราหวังเพราะว่ามันเป็นผลของความหวังเสี็จแล้วเนี่ยเราอย่างคนที่ลำบากใจเพราะเพราะป่วยใช่ไหมถามว่าคนนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะเขาหวังว่าเขาจะไม่ป่วย พอรู้ว่าตัวเองป่วยปั๊บก็เลยเสียใจจริงๆก็เพราะเขาหวังไว้เสมอว่าเขาจะไม่ป่วยเขาคิดว่าเขาต้องดีตลอดไปเขาต้องเยี่ยมเขาต้องสุขภาพดีพอไปตรวจเจอปั๊บก็เลยก็อย่างว่านะไม่รู้ไปตรวจทำไมนะไม่ต้องการดูผลก็ <c oughs> ไปตรวจสุขภาพเนี่ยแต่ไม่ต้องการรู้ผลหรอกเขาบอกว่าถามว่าอย่างงี้มีไหมเ <c oughs> ขาเล่าว่ามีเ <c oughs> <c oughs> ขาว่ามี มาว่ามีก็มีบางคนนะไปตรวจเลือดเป็นคนความประพฤติไม่ค่อยดีนักกันนะไปตรวจเลือดใช่ไหมแต่ไม่อยากรู้ผลยังนะเพราะ่ามันเลือดบวกหรือเปล่าเนี่นะยังลบหรือว่าบวกไปแล้วอย่างเงี้ยนะตรงน้นพวกนี้ยังไม่ค่อยอยากรู้ผลเท่าไหร่แต่ว่าแต่บางคนเนี่ยนะทุกมากเลยนะที่จะรู้ผลอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะ อสรุปว่าหนึ่งนะถ้าเห็นอายุหนะเห็นอายุหันะเนี่ยเพราะอาจถาว่าเห็นตัวสมุทัยเลยถ้าเห็นนิทานนะนิทานนิทานแสดงว่าเห็นเห็นทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าต yeah. ันหาเป็นตัวมอบมอบความทุกข์ให yeah. ้ถ okay. ้าเราคิดแบบง่ายง่โอ้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยนะถูกตันหามอบมาหมดเลยคิดอย่างนี้ก็ได้เบาๆเนี่ยนะวิธีคิดง่ายงเลยโอ้ทุกคนเนี่ยนะถูกเขามอบมาหมดเลยนะถูกตันหัสัตมาหมดเลย แล้วก็สังโยคะก็แสดงว่ามันประกอบอไว้ก็เห็นสิ่งที่ไม่ถูกประกอบคือพระนิพพานนี่ไม่ประกอบส่วนตัณหาเนี่ยปริโภดหรือกังวลในปีรูปสาตรูปใช่ไหม ถ, ถ้าวิปัสสนาหรือมรรคก็ไม่ไม่ปริโภดไม่กังวลเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันมองในแง่อสสาธะอย่างเดียวถ้าวิปัสสนาก็เห็นแต่ อาทินะวะเนี่ยนะถ้าอรรยมรักที่เกิดจากการเห็นอาทีนวะจะไม่กังวลเลยเนี่ยนะที่เรียกว่าพระหันท่านกล่าวว่าท่านไม่ได้เสียใจในการที่จะตายใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ดีใจที่จะเป็นอยู่อะไรแต่ท่านก็รอความตายเหมือนกับคนลูกจ้างที่รอเวลาเลิกงา น, น, นก็ ลูกจ้างที่ที่เรียกว่าทํางานเสร็จแล้วนะนั่งรอเวลาเลิกงานอย่างเดียวนะเลิกงานเมื่อไหร่ของเรายังไม่ได้ทํางานเลยก็เลยไม่รู้จะเลิกเสร็จเออเม่ถึงเวลาเลิกงานเมื่อไหร่นะถ้าใครที่ทํางานเสร็จแล้วก็นุมโมทนาคุณน้องทงาอํางานเนี <c oughs> ่ยทําทําตรงไหนบ้งที่ฟันทำํำมั้ย <c oughs> ที่ฟันทํำมั้ยยัง <c oughs> ทำว่าไงแล้ว <c oughs> อนะ คุณชูศรีทํางานหรื อ, อยังทําที่เล็บหรื อ, อยั ง, ยงไอ่ทาที่เล็บหรือไม่เอาเล็บมาทํางานหรื อ, อยัง <c oughs> จ่ามินิดเอาผิวหนังมาทํางานหรื อ, อยัง <c oughs> อ๋อกำลังเริ่มนะนะสาธุทําบ้างแล้วละ่ะแต่ว่าค้างไว้เล็บตั้งหลายงาน <c oughs> ทํางานแล้วละ่ะแต่ว่าทิ้งไว้ตั้งหลายงานน่ะนะนะวนะนะก็เมื่อไหร่จะเสร็จก็ดูเอากันแล้วกันนะนะ เพราะว่าวิชานี้ต้องอะไรนะตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เกษุดาซื้อหนังสือให้หนั่นแหละนะบอกว่าอยากจบก็ทําเอาคนเดียวอยากได้คะแนนเท่าไหร่นะก็กาวเองเลยว่าจะเอาเออหรือบหรือซหรือดีเนี่ยนะเลือกเอาเองเลยว่าจะเอาแบบไหนาวางกันนั้นวิปัสสนานะใกล้จะบรรลุมรรคผลหรือยังก็ให้คะแนนตัวเองได้เลยว่าได้ขนาดไหนกันแล้ว นแกสอนใกล้จะจบหรือยังบอกกําลังเรียนอยู่อันนี้เรียกว่าตอบแบบสุขุมมากกว่างั้นมีบางคนบอกทำเป็นสุขุมกับว่างั้นนี่มาดูนีโรคสัจจะมั่งนะนีโรคสัจจะ นิโรธัจจะก็คือนิสรณะเนี่ยพระนิพพานนั้นนิสรณะคือสลัดออกมันตรงกันข้ามกับสรณะนะผู้ทางสรณะังขะฉามิขาปเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมังสรณะังขะฉามิขาปเจ้าขอยึดเอาพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรณนังขะฉามิขปเจ้าขอยึดถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ทําไมพระนิพพานนิสรณะไม่เอาและสรณะเนี่ยขัดกันไหมเนี่ย วิจารวิจารทำประชาวิจารผู้การลองวิจารไหมเป็นยังไงสลัดออกนี่ก็หมายความว่าสลัดออกจากขันห้าก็หมายความว่าเลิกเลิกไปเอามันเป็นที่พึ่งทุทีนนะเลิกเอาคือปกติเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันยึดขันห้าใช่ไหปกตินะ มันยึดขันห้าหรือว่าเป็นาธาตุของขันห้าแต่ไม่ได้เป็นาธาตุของพระพุทธเจ้าหรอกถ้าเป็นาธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือาธาตุของผู้เห็นอริยสัจใช่ไหมก็ต้องเห็นอริยสัจด้วยอ่ะจะแน่จริงก็เรียกว่าเป็นาธาตุของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตั้งกันนี้ต่อไปเลิกบัมเรลมานแล้วเพราะว่าบัมเรลพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะก็พระอริยะท่านหนึ่งท่านกล่าวอย่างนั้นแหละในในปรายนาวักเนี่ย บอกตั้งนี้เลิกบัมเรอมาแล้วซึ่งตรงกันข้ามของเรานี่บัมเรอขันห้าตลอดไหมก็แสดงว่ายึดขันห้าแต่ว่าพระอริยะท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านมีพระนิพพานที่สลัดออกจากขันห้าพระนิพพานนี้สลัดออกจากขันห้าจริงๆนิสรณะขันห้าถ่ายถอนขันห้าในพระไบิดิฎกหลายแห่งแปลว่าถ่ายถอนเมื่อกรอะไรนะเห็น เห็นคุณโดยความเป็นคุณเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นการถ่ายถอนโดยความเป็นการถ่ายถอนอั น, นิสชนะแปลว่าถ่ายถอนก็ได้นั่นนะถ่ายถอนเสร็จแล้วเนี่ยนปลดหนี้เรียบร้อยแล้วอันนิสชนะตัวนี้ก็คือเป็นการปลดปล่อยแต่นี่หมายถึงสภาวะของพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพที่สลัดออกจากกองทุกข์จริงๆ ดถ้าใครเห็นนิสสระก็คือเห็นพระนิพพานนันเะนะส่วนวิเวกวิเวกนั้นแปลว่าอย่างเช่นถ้าแบบหยาบๆนะเช่นกายวิเวกก็ปลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวนั่นะเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกก็ปลีกออกจากนิวรณ์นะนะันะ่นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเลยนะเรียกว่าจิตวิเวกอุปเที่วิเวกก็วิเวกจากขันสังขารทุกชนิด อันนี้นี่แหละเรียกว่าวิเวกทีนี้ถ้าเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยวิเวกสงัดแสดงว่าเห็นอะไรที่มันไม่วิเวกเลยตันหานี่ไม่วิเวกเลยเนี่ยนะสมุทัยนี่วิเวกไหมอยู่คนเดียวมันยังคิดหาเลยใช่ไหมไม่ค่อยสังัดนะนะอยู่คนเดียวคิดหาเพื่อนที่หนึ่งคิดวางแผนไปหาเพื่อนคนที่สองก็ไปเรื่อยมันเลยไม่ไม่วิเวกพราะถ้าเห็นว่านิพพานนี่วิเวกแสดงว่าเห็นจะ เห็นสมุทัยคือตันหาที่มันไม่วิเวกเลยอนีคลุกคลีกันมากนะต่อไปอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อสังขัดโถเนี่ยนะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยพระนิพพานนั้นเป็นสภาพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งโล ก, กุตระธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือ อริยมรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งวิราคะคือพระนิพพานเนี่ยนะประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายอริยมรรคประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระนิพพานที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็แสดงว่าเห็นมรรคที่ที่ประเสริฐที่ถูก ปัจจัยปรุงแต่งเราะฉั้นอริยมรรคนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะโอ้แต่งมากเลยเนี่ยมรรคมรรของเราเทั้งหลายนะแต่งไม่นานหรอกแต่ของพระพุทธเจ้าแต่งสี่อสงไขยแสนกลับนะแต่งมรรคอย่างเดียวนี่มรรคนี่แต่งแต่งเยอะจริงๆพระสารีบดีแต่งอยู่หนึ่งอสงไขยแสนกลับผ้านนท์แต่งอยู่แสนมหากลับของเราแต่งกี่ปีแล้ะก็เรียนธรรมะตั้งสามปีนะโอ้โหเมื่อไหร่จะจบหวังงั้น มีโยมคนหนึ่งก็ถามมาเมื่อไรจะชวนปฏิบัติสักทีกรับว่า ง, งั้นเรียนมาก็เยอะแยะไปหมดแล้วครว่า ง, งั้นแล้วผู้การจะตอบบ้างไงเนี่ยถ้ากระถามผู้การอย่างงี้ของมาเผื่อจะได้นายไปต อ, อบเขาบ้างก็เรียนมาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยเปิดเรียนมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเมือ่อไรจะชวนไปปฏิบัติสักที ก, ก็ผมสรุปว้มีอยู่บทหนึ่งนะอบอกว่า ก็ปริยัติศาสนาเนี่ย ก, ก็คือสุตะสุตตะมัยยานแล้วก็ปฏิบัติศาสนาก็คือโยนิโสมาสิกานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากจะปฏิบัติมากมากอะโยนิโส ม, มากมากผม <นะ S 1> ว่าอย่างนั้นเนะีนะ่ยเอาเรื่องปีละนะเบียดเบียนมันบีบขั้นจริงๆริงนะทุกขสัตย์เนี่ยเอามาคิดอย่างนี้มากๆ ก, ก็จะเริ่มปฏิบัติแล้วใช่ไหมโอ้ตันหานี่มันประมวลมาจริงๆพระนิพานเนี่ยสงัดจริงๆริอะนะน้อมไปคิดเรื่องนี้มากๆ ก, ก็เรียก ว, ว่า ปฏิบัติแล้วนะทีนี้พาคนอื่นคิดอย่างงี้นะพาทำยังไงดีก็ว่าให้ฟังอย่างนี้แหละแต่ดูถ้าจะยากมากเลยพูดถึงว่าจะไปชักชวนให้ใครคิดให้อะไรนี่มันยากกว่าอย่างอื่นมากเลยนะะดูๆแล้วจะชักชวนให้ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนั้นด้วยแต่แต่ถ้ามีวัตถุกรมรองรับนะยากกว่านี้เขาก็เรียนตามดูสูตรอาจารย์มีนิดยาวกว่านี้เยอะ นักเรียนไม่ค่อยขาดนะจ๊ะเย่ยงกันเข้าเลยนะเย่ยงกันเข้าห้องเย่ยงกันไปเรียนเนี่ยนะก็คืออันนี้สงของวิชานี้ก็คือสลักสงัดจากสังขารทุกชนิดใช่ไหมก็เลยไม่เป็นที่สนใจนะนี่ถ้าถ้าจบปั๊บได้มาหาพูดนะเขาจะเอา <c oughs> แต่จบวิชานี้เอ๊มาหาพูดมันลดลงอ่ะนะ คือมีปัญหาครับถ้าบอกว่าสมมติเราจะพูดกันตรงๆในบอกเอ้าเขไปตึกไปโยนในส่วมราิการแล้วมันไปไปตึกเรื่องอะไรอ่ะไปตึกอะไรพอตึกแล้วก็จบแล้วแค่นั้นอ่ะแล้วมันพอตึกเขาเขาอยากจะตึกแล้ประเดี๋ยวบ้ดาวนี้ให้มันเหงผลขึ้นมาเร็วๆอ่ะจะเห็นได้ยังไงละคะรับเด่นตอนก็ถ้าเป็นในโยธาชีวะวะัคใช่ไหมวัค่าด้วยนักรบอาชีพทั้งหลายแลไรเนี่ย ยิงมีอยู่โซนหนึ่งยิงได้ไกล ย, ยิงได้ไวยิงได้แม่นยิงได้เร็วทํำลายค่าศึกงูใหญ่เป็นต้นเนี่ยนะฆ่าศึกมันใหญ่โตกระดาษเนี่ยนะมีดาบอยู่อันเดียวสนิมเคลิบไปหมดนะ <c oughs> ฟันไปฉับเดียวบอกเมื่ อ, อไหร่จะตายหมดให้ฟังโน่นนะพม <c oughs> มาเคยนะสมัยเด็กๆมีอยู่พ่อเขามีป่าอยู่ไร่เศษสองไร่นี่แหละให้เราก็มาจะเป็นชาวไร่บ้า ง, <c oughs> งมีดรับไปอย่างดีเลยนะฟันก็ไปฉับ ฉับฉับเอ๊ะทำไมมันไม่เตียนหมดสักทีมต้นไม้ขาดยังไม่ถึงห้าต้นเลยนะแต่ว่าหวังว่าไอ้นียต้นไม้เป็นไร่ไร่เนี่ยมันจะนระเนรนาดไปหมดเลยนะนึกาโอ้โหฟันแค่นี้มันไม่พอที่จะพอปลูกอะไรได้รอกเนะนะการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันนะวัดจะพืชคือตันหาทั้งหลายเนี่ยมันงอกกับทุกแห่งนะตรงไหนตันหาเรางอกไม่ได้บ้างอ๋ไม่มี เมื่อตัณหามันงอกได้ทุกแห่งขนาดนี้เนี่ยนะเราถ้าเราไม่ไปถางมันในสิ่งนั้นจริงๆมันจะมันเลิกงอกไม่ได้อยู่แล้วละ่ะ <c> น <oughs> ันผู้ที่เห็นพระนิพพานที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเท่ากับเห็นอริยมรรคที่จะต้องปรุงแต่งเป็นอย่างมากนะเหตุให้เกิดสติสามโพชงเนี่ยปัจจัยเท่าไหรา่ สประการธรรมวิจยสามโพชองเจประการเห็นไหวิริยะ11ประการเห็นไหก็ดูสิปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเยอะขนาดไหนใช่ไหมมาฟังธรรมนี่ใช้ปัจจัยเท่าไหร่เอเออะไรปัจจัยเนี่ยนะเงินก็ต่างหากนะเงินก็นับเรื่องในปัจจัยด้วยเหมือนกันนะก็ทั้งวิริยะทั้งทันติทั้ ง, งอะนะ หทั้งค่าน้ำมันรถทั้งเสียทั้งหลายอย่างะนะหมดตั้งเยอะเหมือนกันใช้ปัจจัยเยอะเหมือนกันนะฟังธรรมเนี่ยไม่ได้ใช้ปัจจัยในน้อยเลยอ่ะที่ฟังธรรมกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้ปัจจัยเท่าไหร่เหมือนกันก็ให้เห็นว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจริงๆงนั้นถ้าเห็นพระนิพพานที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งต้องเจริญมรรคคือตัวที่ตัดตัวปรุงแต่งจริงๆจึงจะแทงตลอดสิ่งที่ไม่ ปรุงแต่งทั้งนใครจะบรรลุพระนิพพานที่ไม่ปรุงแต่งโดยที่ขี้เกียจไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะไม่ได้พระนิพพานไม่ปรุงแต่งจริงๆแต่ใครจะบรรลุนิพพานต้องแต่งอย่างมากเลยนะจริงกับบรรลุได้ในบรรดา <c oughs> อ่สังคตะงะตะาธรรมเนี่ยตัวปรุงแต่งในมรรคจิตผลจิตเยอะมากที่สุดเลยใช่ไหมครับตัวจํานวนเอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยมากที่สุดเลยใช่ไหมถูกปรุงมากที่สุด เจตสิกแค่ดูนะั้โสดาปฏิมรระดับปฐมมชานเนี่ยมีเจตสิกเกิดสามสิบหกเว้นอปมัญญาเท่านั้นเองระดับโซดาปฏิมปฐมมชานเนี่ยนะสามิบหกเลยอะ่ะทำยังไงให้เจตสิกเกิดได้สามสิบหกอ่ะอ่าะวีระตีเจตสิกมันพวกเราทั้งหลายจะเกิดได้ก็เกิดทีละอย่างไงอันนี้นต้องเกิดพร้อมกันด้วยมันอริยมร์เนี่ย เจตสิกประชุมมากที่สุดโพธิปักขยธรรมเนี่ยประชุมกันเต็มยัดเต็มเ ย, ยดเนี่ยนะงพองนั้นเถิดนี่ต่อไปพระนิพพานมีอาจว่า อ, าอมะตะคือไม่ตายแสดงว่าเห็นเห็นสิ่งที่มีความตายใช่ไหมว่าทุกขศ์ศาสต์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความตายหรือเป็นสิ่งที่มีพิษ น αι, น αι. ถ้าใช้คำว่ามีพิษเนี่ยคือสิ่งที่จะให้ตายหรือสิ่งที่ตายเป็นนะนีทุกสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่ตายเป็นพระนิพพานนี้เป็นอ ม, มะตะคือไม่ตายโดยสรุปนะแรกว่านิสรณะอันนี้คือสภาวะของพระนิพพานถ้าเห็นว่าวิเวกอันนีค้คือเห็นสมุทัยที่ไม่วิเวก ถ้าเห็นพระนิพพานถูกไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็แสดงว่าเห็นอริยมรรคที่ต้องปรุงแต่งเป็นอย่างมากเห็นอมตะก็คือความไม่ตายก็แสดงเห็นทุกข์ที่เป็นสภาพที่ตายเนี่ยเป็นสภาพที่ตายเพราะฉะนั้นจะเห็นอัดสัจจะใดขอให้เห็นทั้งสีประการนะจะเห็นอัดของทุกขสัจจริงก็นิพพานได้เห็นอัดของสมุทัยทั้ง4ข้อดีจริงก็โอ้บรรลุได้หมดเลยนะ จริงก็ตั้ง16บหกอัดนะเ อ, อาวิชามันไม่ให้ได้ง่ายๆหรอกเขเคยวิเคราะห์ศัพท์ว่ า, าวิชาไหมเอวิชาเนี่ยทำให้ไม่ได้เห็นแทงตลอดอัดเหล่านี้ตามเป็นจริงะนะมานสิกานี่อารมณ์ทั้งหลายที่ที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะมานสิกานไหมโอ้เนี่ยบีบคันนะปัจจัยปรุงแต่งเป็นตัวเร่าร้อนเป็นตัวแปรปรวนเนี่ยถ้าเราเพลิดเพลินในสิ่งนี้นะประมวลมามอบทุกข์ให้ประกอบเอาไว้กับกองทุกข์ปริโพลกังวลเนี่ยนะึคิดอย่างนี้ไหม น้อยเต็มทนอ่ะนะเพราะฉะนั้นมิน่าจึงห่างเลือกเกินต่อการบรรลุธรรมน่ะนะก็อสังคตาธาตุเนี่ยนะถามว่าวันวันหนึ่งเราคิดถึงกี่ครั้งน่ะนะออจิตน้อมไปหาอาสังคตาธาตุกี่ครั้งเนาะกูมาชูไปไหว้พระธาตุเป็นไงวันนี่น้อมไปห า, าสังคตาธาตุไหม <c oughs> อ๋อน้อมบังกันยังดีนะ <c oughs> บุญชูไปรอบสองนะพาผู้จัดการส่วนตัวไปเขาทำหน้าที่ดีนะบุญชูเนี่กนนะกยกังเนี่ยเกังวลพาไป <c oughs> วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมเอาเข้ากรุงเทพไปแล้วนี่ก็สี่โมงเขาก็ไปแล้วก็เลยไปกราบพระาธาตุกันดีแล้วามาอยัางฝากบริขารไปชุดหนึ่งไปถวายพระาธาตุเ้าถวายสังฆทานมาเราก็เลยถวายพุทธบูชาต่อเลย อันะนนะมเอานะนี่ต่อไปมาดูอริยมรรคบ้างอริยมรรคนี้สภาพของเขาอันนะ้นิยานโถเป็นญาณที่นำออกอเะนะีเป็นตัวที่นำออกจากกองทุกเลยก็คิดดูนะถ้าบอกว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านถูกไฟไหมเจ้าของเรือนที่ขนอะไรออกได้อันนั้นก็จะเป็นของของเขาในพบต่อไปใช่ไหม เเป็นของของเขาที่จะใช้สอยต่อไปเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกชราและมรณะแผดเผาของที่เขาให้ทานเน่ยนะอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นของเขาที่เขาจะเอาไปใช้ต่อไปเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่ก็ชื่อว่านําออกเหมือนกันนําออกจากพบนี้นไปใช้พบหน้าการรักษาศีลก็นําออกนะนําออกจากไหนศีล น, นําออกจากไหนจากอบายศีลก็นําออกจากอาบาย สมาธินำออกจากการมาพบเียนะสมถะทั้งหลายเนี่ยนำออกจากการมาพบต้องประชุมทั้งทานศีลสมถะนั้นให้ดีแล้วก็ย้ายตัวเองออกจากภพสามมาเนี่ยอันอริยมรรคเนี่ยเป็นธรรมชาติที่นำออกจากภพสาม น, า น, านิยานิยานิยานัทโธเนี่ยนะเป็นญาณที่นำออกจากภพสาม ส็ยานลําเนี่ยสร้างยากที่สุดเลยแหละนั่นองริยมรรคเนี่ยสร้างยากมากนั่นเององคิดดูนะว่าวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยเกิดเจริญง่ายหรือเจริญยากก็ยากนี่แหละจึงเรียกว่ายานตัวเนี้ยสร้างยากมากต้องต้องสร้างขึ้นแล้วก็อริยมรรคนี้เป็นเหตุนะเหตุตัดโถทำไมเป็นเหตุตวัตโถต้องเป็นเหตุตัดโถใช่ไหมที่ถูกต้องเป็นเหตุตัดโถ ไหนเนเจนพรเป็นเฮตัดโถนะเจนพานต่อเต่าก็มีอยู่แล้วเอาเฉพาะวอาแเรนออกเฮตัดโถนั่นนะอ๋อไม่ไอ้นั่นมันเปลี่ยนตามสูตรอยู่แล้วทั้งสิบหกหกสิบหกข้อมันต้องเปลี่ยนอย่างนั้นทั้งหมดนะรู้กันบอกทีเดียวรวดสิบหกข้อเลยนะ ส่วนในวอร์แวนต์ตรงนั้นเอาออกนะเอาวอร์แนด์ออกก็ถูกแล้วล่ะเหตุตัดโถน่ะนะเขาบอกว่าพระนิพพานอาริยมรรคเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหมเหตุอะไรเหตุแห่งความพ้นทุกข์แสดงว่ามันมีเหตุบางอย่างที่ไม่นำพ้นทุกข์นะเหตุอันนั้นก็คือสมุทัยเพราะฉะนั้น ผู้ที่เห็นอริยมรรคว่าเป็นเหตุแห่งการพ้นทุกข์ก็เท่ากับว่าเห็นสมุทัยที่ไม่เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์สมุทัยไม่ได้เป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็ตามพุทธพจน์ที่คุ้นเคยนะแบาผู้ใดเพลิดเพลินในทุกขผู้นั้นก็ไม่พ้นไปจากทุกขผู้ใดเพลิดเพลินในปัตวีธาตุผู้นั้นก็ไม่พ้นจากปัตวีธาตุเนี่ยนะผู้ใดเพลิดเพลินในขันห้าผู้นั้นก็ไม่พ้นขันห้าเหมือนกันั้น ตันหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งแห่งทุกอริยมรรคนี่เป็นเหตุแห่งพระนิพพานนี่นะเป็นเหตุที่ทำให้สงบทุกข์อันนี้ก็เป็นสมุททยของนิพพานก็ถูก น, นะเ อ, อ่ใช้คำว่าสมุททยไม่ได้อุปมาเหมือนกับว่าเราจะไปกรุงเทพกันเนี่ยนะการที่เรามีรถ ขับเข้ากรุงเทพเนี่ยถามว่ารถที่เราขับเข้ากรุงเทพเนี่ยเป็นตัวสร้างกรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่จะต่างจากสมุไทยของของทุกนะตัญหาเป็นตัวสร้างทุกเลยนะเป็นเจ้าพนักงานสร้างกรุงเทพเลยนะถ้าถ้าเป็นตัญหานะเป็นตัวก่อสร้างจริงๆเลยแต่ถ้าพระนิพพานเนี่ยเป็นยานที่นำเพื่อให้ถึงความสงบประงับนในเป็นอริยมรรคที่นำไปสู่พระนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นตัวสร้างพระนิพพานขึ้น มันจะใช้คาว่าสมูทายไม่ได้ต่อไปทัศนัตโถมักนี่เห็นอะไรเห็นพระเนพานที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งอ น, นะอะไรที่จะเห็นยากขนาดนี้ก็ไม่มีแล้วนยขยังวิราครังอมตตังปณีตังไม่ว่าธรรมชาติที่สงบธรรมชาติที่ประณีตธรรมชาติที่ละเอียดอนันนี้เห็นยากจริงๆ เห็นยากที่ปุตุชนทั้งหลายไม่เห็นโดยที่สุดแม้ความฝันฝันว่าตัวเองบรรลุเนี่ยฝันว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังมีแต่ว่าฝันเห็นนิพพานเนี่ยยังไม่มีแต่ฝันว่าเข้าใจว่าตัวเองบรรลุนะฝันว่าบรรลุแล้วอาจจะยังไมยพอมีแต่ว่าฝันเห็นพระนิพพานเนี่ยไม่มีขนาดตื่นยังไม่เห็นเลยนะจะกล่าวไปยายถึงความฝันเราเห็นยากจริง คำว่าทัศนะก็คือธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานแล้วก็สุดท้ายสี่อธิบดนะีอธิปติเนี่ยนะอธิบดีเนี่ยนะโอ้โหแสดงว่าขึ้น ถ, ถึงขั้นสูงสุดใช่ไหมแล้วอะไรที่มันตรงกันข้ามกับสูงสุดก็คือต่ำสุดก็บอกว่าสูงสุดเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับว่าตระกูลของตระกูลใหญ่ตระกูลที่มีโพคะมากเนี่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆิงไนงะ เพียรพร้อมไปด้วยทรัพย์เพียบพร้อมไปด้วยรัตนะไอ้ที่เห็นว่ามรรคเนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยรัตนะแสดงว่าเห็นใครเห็นคนยากทั้งหลายอันท่าเห็นอริยมรรคที่บริบูรณ์ไปด้วยสติปทานสัมมาปทานอินทรีย์พระโพชฌงอริยมรรคมีองค์แปดแสดงว่าเห็นทุกขสัตว์ที่บริบูรณ์ไปด้วยมหาพูดมันยากจนจริงๆเลยนะทุกขันท่านี้ยากลบากมากเลยตัวขันเนี่ย มันก็รีว่าเป็นเป็นเหมือนคนยากเป็นทุกขตาจริงๆนะเนะสภาพของขันห้าเนี่ยเป็นทุกขตาจริงๆซึ่งจะต่างจากพระนิพพานเนี่ยนะเอามีมหาพูดเยอะๆเนี่ยถามว่าทุกขตาไหมเอานอย่างวันก่อนนะผู้ ก, การก็ชี้ให้ดูคนที่มีมหามหาพูดมากกว่าคนอื่นนะนะ <c oughs> เดินทีก็เพิ่มทีเนี่ยนะก็ ไม่รู้ว่าเดือดร้อนมากไหมมหาพูดใหญ่ขนาดนั้นเยนะน้นนำหนักเกินร้อยกิโลนี่เป็นยังไงสักร้อยยี่สิบเนี่ยนะผู้การก็วิเคราะห์ให้ฟังอยู่ตั้งหลายนาทีแล้วนะเดินตามคนอ้วนไปปู้การก็วิเคราะห์ให้ฟังไปโอ้โหลำบากจริงๆเลยนะทุกยากจริงๆซึ่งต่างจากพระนิพอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคนี่เป็นใหญ่นะสงบ คือมีอำนาจมีเดชอยู่ในตัวจริงๆเพราะว่าบริบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายสรุปว่าผู้ที่เห็นนิยานิกะเนี่ยนะคือตัวที่นำออกจากทุกอ น, นิเห็นมรคเห็นเหตุเหตุเนี่ยนี่หมายถึงเห็นสมุทัยเพราะมรคเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้บรรลุพระนิพพานสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุสร้างทุกข ส่วนทัศนะอันนี้เห็นพระนิพพานเนี่ยนะตรงตัวและอธิบดีก็เพ่ออารยมครคนี้เพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยโพธิปัจจะธรรมที่เรียกวารัตนในในศาสนาเนี่ยนะศาสนานี้นะรสสนนบริบูรณ์ไปด้วยรัตนะใช่ไหมคนที่เข้าถึงศาสนาจริงๆคือเข้าถึงอรรยมครคนะคนที่มีศาสนาโดยบริบูรณ์เพียบพร้อมในผู้ศาสนาของเราคือคนที่มีอรรยมครค่ายังไม่มีอารยมรก็มีแต่ว่า ไม่ค่อยแน่วันนี้นับถือพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้นับถืออะไรไม่รู้นะนับถือมหาพูดธ <c oughs> มุนเวียนเปลี่ยนไปด้ว่ อ, อยนะอ่าสรุปว่าวิภากษของอริยศาสตรอัดแทงอริยศาสตร์จริงๆนะแทงตลอดด้วยยานเดียวนะถ้าถ้าผู้ใดแทงตลอดอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆอะ่ะจะต้องบรรลุทั้งสิบหกอัดเนี่ยนะขอให้รู้จริงนะมันต้องหมุนได้รอบในชั้นแรกก็ศึกษาให้เข้าใจก่อนหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้อง บรรลุสรุปบรรลุว่าอย่างไงกันไหมดูนะของเราเนี่ยมันใกล้จะเห็นเป็นความจริงหรือยังอ่นะถ้าเราใครที่ถามหาการบรรลุบ่อยๆเนี่ยก็ถามว่าหนึ่งโอ้เนี่ยขันห้าเนี่ยบีบขันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของเล่าร้อนแปรปลวนอ่าใช่เลยจริงๆอนะนะยอมรับโดยสัตว์จริงเลยมันอย่างนี้จริงๆแหละเออแต่หลานยังดีอยู่นะไม่ใช่นะมันต้องเหมือนกันหมดนะอัตเนี่นะต้องต้อ ง, ต, องต้องครอบคลุมจักรวาล น, นะ ไม่ใช่ก็ยังมีพิเศษอยู่อีกนั่นไม่ใช่แน่นั่นไม่ใช่เลี้ยงขันห่าตั้งเป็นเดือนเลยคุณนงไมาเลยฟังทำอ๋อเลี้ยงแต่เย็นมางี้ไม่คิดตึงมั่งเหรอโอ้โหอ๋อทำนัดที่อ๋อไหนอันไหน ข้อไหนอันนี้ของมาจะไปเห็นด้วยที่ไหนอยนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ต้องอ่านให้ฟังเล ย, อยอ เ, เอ่ออธิบดีอธิบดีอธิบดีนั่นแหละคือเท่ากับเห็นทุกคือมครคนี่ ย, ยิ่งใหญ่ใช่ไหมทุกขสัตร์นี่มันเป็นเหมือนกับตะกูลที่คับแคบยากไรเอ่อถ้าว่าโดยสรุปนะว่าผู้ที่มีอัายาสายที่ เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมนะก็เอาอัดเหล่านี้มาคิดให้มากๆแล้วประชมอัดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะนะถ้าสามารถประชมเอาอัดเหล่านี้มาเห็นในชีวิตที่เป็นจริงได้ก็ความดับทุกข์ก็ใกล้เข้ามานะนะแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกเยนะนะเอ๊ขันห้ามเห็นมันบีบคั้นอาหารก็อร่อยออกถ้าอย่างนี้ก็โอ้อีกนานนะนะไม่เป็นไรหรอก ก็อยู่มาตั้งนานแล้วนี้มาดูลักษณะบ้างนะลักษณะที่จตุ ก, กะก็คือลักษณะนั่นเองแต่ตรงนี้ไม่ถึงกับจตุ ก, กะนะก็ลักษณะติกะอย่างนันมีแค่สามนะลักษณะราสะปจจุปทานนะทุกนั้นมีการเบียดเบียนเป็นลักษณะก็ขันห้าไหนไม่เบียดเบียนบ้างละ่ะ ก็ขันท่านั้นมีการเบียดเบียนโดยลักษณะเนี่ยนะกิจของเขาก็คือทำให้เร่าร้อนสันตาปนะเนี่ยนะมันเลาร้อนจริงๆขันท์เป็นทำให้เล่าร้อนแล้วก็มีประวัติเป็นประจุประฐานก็มีความเป็นไปในภพสานั่นแหละเป็นอาการปรากฏประจุประฐานแปลว่าอาการปรากฏ อันอาการที่ปรากฏของทุกข์ที่เห็นๆก็คือความเป็นไปในกองทุกข์ประวัติกับประวัตะมาแปลไทยๆว่าเป็นประวัติประวัติของคนตายนะเขาจะเขียนเนี่ยนี่แหละเรียกว่าทุกข์ละประวัติเนี่ยเป็นอาการปรากฏแห่งทุกข์นะนะอันถ้าอ่านประวัติใครก็นั่นแหละอ่านทุกข์ษัติย์แต่ว่างั้นน่ยอ่านว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างก็อ่านสมุทัยสัตว์ก็ดีนะน่าจะคิดอย่างนี้บ้างตั้งนานแล้วนะ อ่านประวัติคนมันตั้งเยอะนะอ่อานประวัติก็คืออ่านทุกขสัตย์เขาไปทำอะไรมาบ้างนั้นอ่านสมุทัยสัตว์เนี่ยนะโอ้เธอได้ขนาดนี้ก็มีเขาเลยนะอะไรสองก็อ่านอ่านพระพุทธเจา้าสิได้สามเลยอ่านประวัติพระอรหันต์อ่านประวัติพระรยะบุคคลนะได้สามสัจจะเพราะท่านแทงตลอดสัจจะที่สี่ท่านเลยได้สามสัจจะ ส่วนบุคคลอื่นๆทั่วไปมีสองสจัจจะนะอ่านประวัติปุตุชนอ่านยังไงก็มีอยู่สสัจจะเนี่ยนะทุกขสมมูทัยทุกขสมมูทัยทุกขสมมูทัยเนี่ยนะ